อีกปัญหาข้อต่อไปเวลานั่งโสดมนเดินจงกรมหรือว่ากำลนดสติอยู่ที่ปลาย อ, าอยู่ที่กายแล้วทุกอย่างจะรู้สึกเหมือนมีอะไรแทงเข้าไปตรงแสกหน้าภายในเสมอปวดหัวก็ไม่ใช่เพราะปกติอยู่มันลวงเข้ามาภายในรู้สึกจะอยู่เหนือจมูกขึ้นไปหน่อย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 อ่าเนือคิ้วขึ้นไปหน่อยตรงนีตรงกลางตรงแสกหน้านี่อันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาเมื่อทำนานๆเข้าอุปาทานความยึดในสิ่งเหล่านี้มันก็จะค่อยจางหายไปแล้วจะกลายเป็นปกติบางทีเรานั่งสมาธิบางทีก็รู้สึกว่าถ้าเราส่งกระแสจิตขึ้นไปสูงมันก็ปวดศีรษะเพ่งออกทั้งหน้ามากมันก็รู้สึกมีอะไรเสียบแทงแต่ถ้า ความรู้สึกให้ต่ําลงมามันก็รู้สึกว่ามีสิ่งที่มาค้ําคอให้ก้มลงมาอันนี้มันเกิดอุปทานที่เราปรุงขึ้นมาข้อต่อไปการกําหนดจิตตามรู้ตามเห็นที่จิตจะกําหนดอย่างไรพระผู้เจ้าสิ่งที่ควรจะกําหนดตามรู้ตามเห็นเนี่ยเริ่มต้นแต่การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูด เราเดินรู้ว่าเราเดินเรายืนรู้ว่าเรายืนเรานอนรู้ว่าเรานอนเรานั่งรู้ว่าเรานั่งเรารับทานรู้ว่ารับทานจนกระทั่งถ่ายอุจาราปัสสวะกำหนดตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมเข้ามากำหนดตามรู้ความคิดที่มันจะเกิดขึ้นภายในจิตของเราตลอดเวลาทำสติตัวเดียวตามรู้สิ่งเหล่านั้นตลอดไปนี่คือการกาหนดตามรู้อาการทั้งภายในและภายนอก ภายนอกก็คือการไหวกายภายในก็คือการไหวจิตอของท่านต่อไปตามที่กล่าวว่าอะไรนี่จุติตามที่กล่าวาาาว่าจิตหรือวิญ ญ, ญาณเดิมนั้นเป็นประพัดสอนซึ่งหมายว่าจิตวิญ ญ, ญาณก่อนที่จะเข้าปฏิสนธิคนเมื่อตายแล้ววิญ ญ, ญาณหรือจิตจะออกจากร่างไปพร้อมกับ นำกรรมชั่วกรรมดีไปปฏิสนที่ในร่างใหม่แสดงให้เห็นว่าจิตหรือวิญญาณดวงนี้ไม่ประพัดสอนเพราะมีกิลิลสจิตประพัดสอนได้ในภาษิต ท, ที่ว่าประพัสสรมีธรรมพิฆเวจิตตังจิตเป็นธรรมชาติประพัดสอนอันนี้หมายถึงจิตตั้งเดิมคำว่าประพัสรของจิตในขั้นนี่เปรียบเหมือนผ้าที่ขาวสะอาด าที่ขาวสะอาดพร้อมที่จะดูดสิ่งสกปลกคือสีย้อมได้จิตประพัดสอนหมายถึงจิตที่เป็นนิ่งอยู่เฉยๆโดยที่ยังไม่มีอายตนะณะมาเป็นส่วนประกอบแทนจิตของคนเราเมื่อออกจากล่างไปมีแต่จิตดวงเดียวยังไม่ถือปฏิสนธิก็มีแต่จิตล้วน จิตล้วนลวนที่ไม่มีอวัยวะประกอบคือยังไม่มีร่างกายมันทำอะไรไม่สำเร็จมีแต่ร่องลอยอยู่เสมออ่าอยู่เฉยๆทีนี้เมื่อก ร, รมที่เราได้ทำไว้ในภพนี้ชาตินี้ไปหนุนส่งให้จิตดวงที่ไม่มีตัวนั้นไปเกาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา แล้วมันจะจะมีความรู้สึกนึกคิดไปตามประสาทของร่างกายที่มันก่อพบก่อชาติขึ้นในเมื่อมันยังไม่มีตัวมันก็มีมันก็เป็นจิตประพัดสนแต่ไม่ใช่จิตบริสุทธิ์สะอาดเหมือนจิตสำเร็จพระนิพพานข้อที่สองพระพุทธองค์กล่าวว่าพระอรหันต์ที่มรณะภาพแล้วจิตหรือวิญญาณของท่านไปอยู่ที่ไหน อ่าไปอยู่ที่ใดไม่ทราบเปรียบเหมือนควันไฟที่ลอยไปในอากาศซึ่งไม่ทราบว่าควันไฟมันลอยไปอยู่ณนะที่แห่งใดสำหรับผู้เต็นอาผู้ที่มิใช่พระอาหารหันต์เมื่อตายไปแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้หรือไม่ว่าจิตหรือวิญญาณของผู้นั้นไปอยู่ที่แห่งใดข้อสาม หลักที่ว่าวิญญาณอนิจจังวิญญาณังอนิจจังตายแล้วจิตหรือวิญญาณไปหาที่เกิดไปหรือจิตวิญญาณไม่ตายไปพร้อมกับร่างกายนีบแล้วว่าวิญญาณนั่นเที่ยงถ้าวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณก็ย่อมตายไปพร้อมกับร่างกายอันนี้ขอตอบข้อที่สองก่อน พระองค์พระพุทธองค์กล่าวว่าพระอาหารหันต์ที่ตายแล้ววิญญาณไปอยู่ที่แห่งใดรือจะเปรียบเหมือนควันไฟที่ลอยไปในอากาศซึ่งไม่ทราบว่าควันไฟไปอยู่ที่แห่งใดเออันนี้ตอบอยากสักหน่อยเพราะว่าผู้ตอบก็ยังไม่เป็นพระอาหารหันต์แต่จะขอเอาคำตอบของทจคุณพระอุบาลีสิริจันโทจันมาตอบ ท่านจ้โคนุบาลีสิริจันโทจันท่านตอบท่านกล่าวคำนี้ไว้ว่าพระอรหันต์ผู้สำเร็จพระนิพพานแล้วอยู่เหนือโลกเพราะขั้นแห่งธรรมมีโลกียธรรมมีโลกุตตรธรรมสภาพจิตของท่านผู้ใดยังคล่องอยู่ในโลกียังมีกิเลสตันหาาุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวง สภาพจิตของผู้ปล่อยวางกิเลสตัณหามานณาทิติอุปาทานได้ขาดสิ้นแล้วเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่ถือว่าโลกนี่เป็นเราเป็นเขาของเราของเขาแม้จะมีร่างกายอาศัยโลกนี้อยู่แต่สภาพจิตก็เพียงแต่ว่าอาศัยร่างกายอยู่จนกว่าวิบากกรรมจะสิ้นไปและความสําคัญมั่นหมายที่จะยึดถือสิ่งใดนั้นไม่มีความผูกพันในโลกไม่มี ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีจึงเมื่อจิตพระอรหันต์อยู่เหนือโลกเหนือที่ตรงไหนเหนือสมมติบัญญัติว่าเป็นเราเป็นเขาของเราของเขาอันนี้เป็นคำตอบของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีรแต่ไม่ใช่คำตอบของหลวงพ่อพุทธนะหลวงพ่อพุทธเจ้าไว้ตอบต่อเมื่อดวงจิตอยู่เหนือโลกแล้วจึงจะมาให้คำตอบอีกทีหนึ่ง ข้อที่สามหลักที่ว่าวิญญาณังอนิจจังเมื่อคนตายไปแล้ววิญญาณก็ต้องตายไปกับปินอาวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงเมื่อคนตายไปแล้วจิตหรือวิญญาณไปหาที่เกิดใหม่เมื่อจิตวิญญาณไม่ตายไปพร้อมกับกายก็แปลว่าวิญญาณนั้นเที่ยงอันนี้วิญญาณังอนิจจังเนี่ย ขมาวิญญาณ น, นี่มีสองอย่างอย่างหนึ่งวิญญาณเกิดรูขึ้นในขณะที่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกันเข้าเช่นตากระทบกับรูปเกิดความรู้ขึ้นเรียกจกขุวิญญาณแล้วก็แต่รฐวานทวานมีสิ่งกระทบโสตวิญญาณคานะวิญญาณเจวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณ ลู่ทางหูตาลู่ทางหูจะหมกเล่นกายแหล่ใจอันนี้เป็นวิญญาณในขันท่าสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งทั้งห้านี้อาศัยรูปเป็นแดนเกิดเมื่อโลกยังปรากฏอยู่ความรู้สึกมีสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรับรู้ทางทวารหกยังปรากฏอยู่ ทีนี้เมื่อร่างกายอันนี้ตายสาบสนลงไปแล้วทวารหกต า, าหูจมูกริ้นกายก็สลายตัวไปยังเหลือแต่วิญ ญ, ญาณอีกตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณก็หมายถึงวิญญาณที่เป็นตัวรับรู้สิ่งที่มากระทบนั่นเองแต่ลักษณะของปฏิสนธิวิ ญ, ญญาณนี้มีลักษณะสัก์แต่ว่ารู้จักไปผุดไปเกิด โลจักไปปฏิสนธิโลจักจุติยังเป็นวิญญาณังอนิจจังอยู่เหมือนกันเพราะยังเปลี่ยนพภพเปลี่ยนพพเปลี่ยนชาติซึ่งย่อมจะเป็นไปตามกฎของกรรมทำกรรมดีไปดีทำกรรมชั่วไปชั่วเช่นอย่างเวลานี้เราเกิดเป็นมนุษย์พบหน้าอาจจะเกิดเป็นเทวดาต่อไปเกิดเป็นพระอิน ถ้าถึงคราวสวยเขาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้เรียกว่าวิญญาณังอนิจจงคือพบที่เกิดมันยังไม่แน่มีคติไม่แน่เพราะยังมีกิเลสอยู่มากมายดิฉันเป็นผู้ใครปฏิบัติด้วยใจจริงแต่มีข้อสงสัยในบางประการจรึงของกราบียนพระคุณเจ้าเจตที่เกิดดับนั่นดิฉันเข้าใจ ขณะที่กลั ง, งขนาที่ทำสมาธิอยู่จิตนั้นจิตนั้นเกิดไปคิดเกิดไปคิดเรื่องหนึ่งขึ้นจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามรู้ถ้ารู้เรื่องหนึ่งหนึ่งจิตของเราก็ตามรู้อย่างนี้เรียกว่าจิตเกิดดับใช่ไหม คำจิตเกิดดับนี่หมายถึงจิตเปลี่ยนอารมณ์ยกตัวอย่างเช่นขณานี้จิตอยู่กับกระดาษสีขาวบัดนี้อยู่กับสีเขียวเปลี่ยนจากขาวเป็นเขียวตายจากขาวแล้วก็มาเกิดเป็นเขียวอันนี้เรียกว่าจุติปฏิสนธิของจิตในวาระจิตหนึ่งแล้วก็เป็นเกิดดับเกิดดับในวาระจิตหนึ่ง เราฉะนั้นคำว่าเกิดดับเกิดดับนี่หมายถึงจิตเกิดรู้อารมณ์สิ่งนี้ขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเกิดปล่อยวางอารมณ์สิ่งนี้ไปเรียกว่าดับอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นมาเรียกว่าเกิดอารมณ์นี้ดับไปเรียกว่าดับเรียกว่าจิตเกิดดับเกิดดับอันนี้เป็นจิต เ, เป็นความเกิดดับในช่วงสั้นซึ่งเป็นลักษณะเป็นอารมณ์ของผู้ปฏิบัติจะต้องกําหนดรู้ ในปัจจุบันการทำสมาธิเป็นเวลานานปีหากยังไม่เห็นนิมิตต่างๆอย่างผู้อื่นนั้นเป็นเพราะทำสมาธิยังไม่ถูกต้องวิธีแต่ดิฉันเองพยายามนั่งไม่ท้อถอยอาเรื่องของนิมิตนี้มักจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีกำลังใจอ่อนมีอารมณ์ไหวง่าย ถ้ายิ่งคนใจอ่อนอยากเห็นนิมิตง่ายๆแล้วก็พอนั่งบริกรรมภาวนาลงแล้วก็พอิตรู้สึกสงบเพิ่มบ้างลงไปส่งกระแสจิตออกไปนอกแล้วจะเห็นภาพนิมิตต่างๆแต่ขอบอกว่าการเห็นภาพนิมิตต่างๆนั้นไม่เกิดประโยชน์อันใดนอกจากจะทำให้จิตของเรามันหลงการภาวนานั้นจะมีนิมิตเกิดขึ้นก็ตามไม่มีก็ตาม อย่าไปใฝ่ายฝันอยากจะรู้จะเห็นนิมิตนั้นๆความมุ่งหมายของการภาวนานี่หนึ่งให้จิตสงบลงไปเพื่อจะรู้เห็นสภาพความจริงของจิตของเราว่ามันเป็นอย่างไรทีแรกเขียนความสงบของจิตและความฟุ้งซ่านของจิตก่อนเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเห็นลักษณะจิตที่สงบบ้างๆไม่มีอะไร เราออกจะใกล้จะรู้ความเป็นจริงของจิตร่างเดิมในลักษณะที่เรียกว่าประพัฒนลมิทังพิขเวจิตตังจิตเป็นธรรมชาติประพัฒสอคือจิตรัางเดิมของเราทีนี้ในเมื่อจิตนันอยู่ว่างๆเป็นธรรมชาติประพัฒสอนนั้นมีความรู้สึกสบายไหมมีความรู้สึกทุกข์ไหมให้มันรู้มันเห็นอันนี้ เมื่อเจ็บมันออกจากสภาว่าอากนั้นมารับรู้อารมณ์แล้วมันยึดไหมมีความทุกข์ไหมฟุ้งซ่านไหมเดือดร้อนไหมให้รู้ว่าเห็นกันที่ตรงนี้เรื่องนิมิตต่างๆนั่นจะเห็นหรือไม่เห็นไม่สําคัญแต่ถ้าใครจะเห็นได้ก็ดีถ้าไม่เห็นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจอย่าไปปรารถนาะอยากจะเห็นนิมิตเป็นภาพเป็นอะไรต่ออะไรอย่างนั้นมันเป็นเพียงทางผ่านของจิตเท่านั้น จะรู้จะเห็นก็าตามไม่เห็นก็าตามขอให้มีจิตสงบรู้สภาพความเป็นจริงของจิตแต่อารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับจิตมีสติู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตเป็นพอแล้วปัญหาของผู้ถามเนี่ยโดยปกติแล้วปฏิบัติวันละ2ี่นาที30นาทีอันนี้ขอเสนอว่ายังน้อยไป ขอให้ตั้งปฏิธานอาว่าวันหนึ่งจะนั่งสมาธิให้ได้วันละสามครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงถ้าได้อย่างนั้นเป็นดีที่สุดแล้วจิตจะสงบแล้รู้รมเห็นทำง่ายอทอของท่านต่อไปการปฏิบัติธรรมทางฝ่ายมหายานกับเทราวาดมีข้อแตกต่างกันอย่างไรถ้ามีจิตตั้งมั่น มุงสภาวะพระนิพพานแล้วการปฏิบัติทางใดทางหนึ่งเพียงทางเดียวกควรปฏิบัติทางใดทางหนึ่งโดยทางเดียวหรือไม่ถ้าใช่ถ้าใช่จะการปฏิจะปฏิบัติในทางใดเพราะเหตุใดถ้าจะปฏิบัติควบคู่กันไปทั้งสองทางจะวุ่นวายหรือไม่ เอออันนี้เป็นคําตอบที่ค่อนข้างจะยากสักหน่อยคําถามที่ว่าการปฏิบัติในฝ่ายมหายานกับเทรวาตต่างกันอย่างไรอันนี้ขอบอกว่าทางฝ่ายมหายานเฉพาะฝ่ายเดียวพระคุณเจ้าที่ปฏิบัติก็มีวัตถุประสงค์ต่างกันทางฝ่ายเทราวาตก็มีวัตถุประสงค์ต่างกัน เคอทั้งสองฝ่ายนี่ที่ว่าต่างกันนั้นบางท่านปฏิบัติเพื่อมุ่งให้ประชาชนทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสเกิดความนับถือเกิดอิทธิฤทธิ์เกิดปาฏิหาริย์ต่างๆเพื่อเป็นแนวทางชักจูงให้เกิดลาบผลอันเป็นฝ่ายอามิตรไม่ได้มุ่งต่อความบริสุทธิ์สะอาดแห่งใจ อันนี้เป็นอีกฝ่ายหนึ่งทีนี้ทั้งมหายานเลยเทราวาดก็มีจุดมุ่งหมายอยู่สองอย่างเหมือนกันหนึ่งปฏิบัติเพื่ออามตสองปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์คือสาเร็จปานิพันธ์ทีนี้ที่ควรจะถือเป็นหลักปฏิบัตินั้นควรจะยึดหลักที่ว่าปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์สะอาดแห่งใจเพื่อบรรลุมรรคผลนิพัน์ อามิตรละความนิยมรับถือที่ได้จากประชาชนถือเป็นเพียงผลปลอยได้โดยความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติทำดีทำดีตามแนวของพระพุทธเจ้าเนี่ยในเมื่อใครทำดีแล้วทำได้ดีแล้วศีล ส, สมาธิปัญญาประชุมพร้อมลงไปแล้วจะปรารถนาสมบัติเป็นโลกีโลกุตละก็ได้ท้งนั้นถ้าใครเชื่อมัน่นแล้วก็มุ่ง ตรงต่อความสงบจิตได้รู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมจนกระทั่งธทรรมกิเลสให้หมดไปจากจิตใจอันนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องปัญหาของท่านผู้นี้เวลานั่งสมาธิรู้สึกว่าเหมือนกายจะระเบิดออกแต่เป็นเฉพาะที่ฝ่ามือจิตเย็นสบายโปล่งลมหายใจเบาขึ้นเบาขึ้น ควรจะปฏิบัติอย่างไรอันนี้เป็นประสบะการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติเพราะเราเกิดพอเราตั้งใจปฏิบัติแล้วความเอาใจใส่ในตัวเองมันเพิ่มมากขึ้นความเอาใจใส่ในจิตของเราเองความเอาใจใส่ในกายของเราเองและความเพ่งเล็งที่จะให้เกิดจิตสงบถ้ายิ่งความเพ่งเล็งจะให้จิตสงบมากเท่าไหร่ความเห็ดเหนื่อยหนักภายในกายก็ย่อมมีมากขึ้น ที่ด้การภาวนาที่ข่มจิตเพื่อจะให้เกิดสงบนี้โดยมีความตั้งใจข่มและบังคับจิตให้น้มไปในทางที่สงบบางทีเมื่อจิตสงบลงไปจริงๆแล้วจะกลายเป็นสมาธิตัวแข็งเพราะฉะนั้นผู้ที่ภาวนาเพื่อจะให้เบากายเบาจิตกันจริงๆแล้วอย่าไปบังคับความรู้สึก เพียงแต่ควบคุมจิตให้อยู่กับบริกรรมภาวนาเท่านั้นเช่นยะภาวนาพุทโธเนี่ยนึกถึงพุทโธกัพุทโธพุทโธพุทโธสติสัมปชัญญะไม่ต้องตั้งเมื่อเรานึกถึงพุทโธพุทโธเอาพุทโธไว้กับจิตจิตไว้กับพุทโธสติสัมปชัญญะมาเองโดยอัตโนมัติหน้าที่เพียงแค่นึกพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความรู้สึกเบาเบา และก็อย่าไปปรารถนาให้เกิดผลใดๆขึ้นมาทั้งนั้นเมื่อทำไปพอสมควรแล้วผลจะเกิดขึ้นมาเองแต่ว่าต้องทำให้มากๆหน่อยนะยี่สิบนาทีสาสิบนาทีไม่พอเวลาเดินจงกรมกำหนดอาณาปาลสติเดินไปนานพอสมควรรู้สึกว่าเห็นแผ่นดินที่อยู่ข้างหน้าหมุนหมุนได้เหมือนกับน้ำในตุ่มที่ถูกมือควร อันนี้เป็นสภาวะของจิตไอ้ความหมุนความเวียนความที่แผ่นดินจะพลิกจะปิ้นอย่างไรก็ตามอันนั้นเป็นอาการของจิตที่ปรุงขึ้นซึ่งจิตของเราอาจจะปรุงไปเป็นต่างๆอันนี้ถ้ามีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติกำหนดรู้ลงที่จิตและเอาสิ่งนั้นเป็นเพียงสภาวะในเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติประครับประคองตัวผู้รู้ เอาไว้ให้ดีแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเราจะรู้แจ้งเห็นจริงเองอปัญหาข้อต่อไปเมื่อเรามีทุกขเวทนาเช่นความเจ็บปวดเป็นต้นจะมีวิธีพิจารณาหรือบรรเทาความเจ็บปวดได้อย่างไรทุกขเวทนาเป็นตัวทุกพระพุทธเจ้าสอนให้เพียงแค่กําหนดรู้ว่าเป็นทุกข ถ้านั่งปนนานแล้วปวดแข้งปวดขาทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถมีทางเดียวเท่านั้นถ้าหากใครสามารถที่จะเข้าสมาธิให้ถึงขนาดที่ว่าตัวหายไปได้ภายในครึ่งวินาทีหรือครึ่งนาทีเรียกกำหนดจิตเข้าสมาธิให้มันปล่อยวางความมีตนมีตัวทุกขเวทนานั้นจะหายไปแต่ถ้าทำไม่ได้อย่างนั้นทนไม่ไหวก็พลิกแข้งพลิกขาเปลี่ยนอิริยาบถจะ ถ้านั่งนา น, นักมันเจ็ปวดก็เปลี่ยนเป็นเดินหรือถ้านั่งขาซ้ายทับขาขวาขาขวาทับขาซ้ายนานเกินไปมันเกิดเน็บก็พลิกเปลี่ยนจะมานั่งพับเพียบก็ได้หรือจะลุกไปนั่งเก้าอี้ก็ได้ในขั้นต้นนี้ต้องอาศัยการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นสําคัญ ถ้าเราฝึกฝนจิตให้สามารถที่จะเข้าสมาธิในขั้นชานได้เร็วเมื่อมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นรีบกำลนดจิตเข้าสมาธิแล้วมันจะได้ปล่อยวางความเจ็บปวด น, นั้นปัญหาของท่านข้อต่อไปในการนั่งฟังธรรมหากทำสมาธิไปด้วยพิจารณาคำเทศคำสอนในขณะนั้นจิตรับรู้เสียงที่ได้ยินทกถ้อยคำ แต่เมื่อถอนจากสมาธิแล้วร้อเหตุใดจึงระลึกไม่ได้เลยอันนี้สภาว่าจิตเพียงแต่รับรู้สัมผัสแต่ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรพอได้ยินแล้วก็สักว่าแต่ได้ยินได้ยินแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ได้กำหนดจดจำเป็นลักษณะของจิตที่มีสมาธิบ้างพอสมควร ลักษณะของจิต ท, ที่มีสมาธิบ้างพอสมควรเวลานั่งฟังธรรมถ้าธรรมนั้นเป็นที่ถูกอกถูกใจจิตจะตามกำหนดรู้ธรรมกระแสแห่งธรรมนั่นเองถ้าว่าการแสดงธรรมนั้นไม่ได้เรื่องไม่เข้าใจจิตมันจะปล่อยวางไม่สนใจแล้วเข้าสู่ความสงบอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตผู้ที่ฝึกสมาธิมาแล้วมหาสติปัฏฐาน และคนณประโยชน์มหาสติปฐานแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งสติอันใหญ่หลวงจึงได้ชื่อว่ามหาสติปฐานที่นี่ฐานที่ตั้งของสติก็คือกายเวทนาจิตธรรมผู้ได้เอากายเป็นเครื่องลู้ของจิตเวทนาเป็นเครื่องลู้ของจิตจิตเป็นเครื่องลู่ของจิตธรรมเป็นเครื่องลู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ กำหนดบ่อยๆทำบ่อยๆพิจารณาเนืองๆจเจริญให้หมากๆกก็ทําให้หมักๆเมื่อทําได้แล้วเกิดสมาธิขึ้นมาโดยจิตแต่ยึดอยู่กับอารมณ์นั้นๆเป็นอย่างๆหรือพร้อมกันหมดทั้งสี่อย่างเกิดสมาธิขึ้นมาทําให้ผู้นั้นมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นในเมื่อสติมีพลังกาลังอแก่กล้าแล้วจะกลายเป็นมหาสติปัฏฐาน เมื่อจิตเป็นมหาสติแล้วสามารถจะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมสามารถประคับประคองจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านในเวลากระทบกับอารมณ์จะกลายเป็นสติวินโยสติเป็นผู้นำนำไปสู่ทางมรรคผลนิพพานขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าการรู้เห็นอะไรต่างๆนั้นไม่สำคัญ เพียงแต่ว่ารู้แล้วเห็นแล้วเอาสิ่งนั้นเป็นที่ระลึกของจิตเป็นอ่าเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นที่ระลึกของสติสร้างสติตัวนี้ให้มีพลังจนเป็นมหาสติอันนี้คือจุดที่นักปฏิบัติต้องการถ้าหากว่าเราภาวนาแล้วมีความรู้ความเห็นมากมายกายกองแต่สติตามไม่ทันมันหลงความรู้ ที่นี้หลงความรู้แล้วจิตฟุ้งใหญ่กลายเป็นสัญญาวิปลาสไปสำคัญผิดว่าเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานการถวายสังฆทานเป็นอย่างไรทำแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้างกระถิ่นในผ้าป่าเป็นสังฆทานหรือไม่การถวายสังฆทานหมายความว่าทายกมีปัจจัยสี่อะไรก็ได้ โดยเจตนาน้อมเข้าไปถวายเพื่อสูงเข้าไปในวัดเช่นไปในวัดสัพพทุมเนี่ยไปบอกกับพระองค์ใดองค์หนึ่งแล้วข้าไปเจ้าขอถวายสังฆทานจะ ก, กล่าวก็ตามไม่กล่าวก็ตามคำถวายสังฆทานเพียงแต่ประเคนของแล้วของนี่ถวายสังฆทานณพระคุณเจ้าบอกให้ท่านรู้อย่างนี้ก็เป็นสังฆทาน แต่ถ้าจะทำให้ถูกต้องตามวิธีจริงๆแล้วในเมื่อจัดของที่จะสังฆทานแล้วเราก็นำเข้าไปหาพระนิมนต์พระสักสี่องค์เป็นอย่างน้อยไปแล้วก็จุดทูกจุดเทียนไหว้พระสมทานศีลห้าซะแล้วก็กล่าวคำถวายสังฆทานในเมื่อถวายพระแล้วท่านอรุโมโธนาแล้วก็เป็นเสร็จพิธีทีนี้ประโยชน์ที่จะให้เกิดขึ้นนั้นตามหลัก ที่พระพุทธองค์แสดงไว้ว่าการให้ทานแก่บุคคลผู้เดียวเรียกว่าปุขคลิกทานเป็นทานที่เฉพาะเจาะจงอานิสงส์มีน้อยแต่ถ้าทํากับพระสงฆ์นั้นมีอานิสงส์มากถ้าหากว่าทําแก่สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขประธานยิ่งเป็นอานิสงส์อย่างมากไปผลแตกต่างกันอย่างนี้ข้าปาแลกกถิน กาถินนี้เป็นสังฆทานโดยตรงหลีกเลี่ยงไม่ได้ผ้าพานี้เป็นสังฆทานก็ได้เป็นส่วนบุคคลก็ได้แล้วแต่เจตนาของเจ้าภาพแต่กาถินนี้ต้องสังฆทานอย่างเดียวในปัญหาข้อต่อไปนรกสวรรค์เริ่มมีมาแต่เมื่อไหร่นรกสวรรค์เริ่มมีพร้อมพระพุทธเจ้าหรือไม่ครับ นรกสวรรค์นี้มีมามีมาตั้งแต่สิ่งที่มีวิญญาณเกิดขึ้นในโลกถ้าหากทางนักวิทยา ศ, าศาสตร์ก็ว่าโลกแผ่นดินนี้ตกเป็นชิ้นส่วนซึ่งตกมาจากดวงอาทิตย์ในตอนแรกๆ ก, ก็มีความร้อนระอุเหมือนไฟภายหลังมาโลกมันเย็นลงเกิดมีสิ่งที่มีชีวิตขึ้นในโลกสวรรค์แโลกเกิดขึ้นพร้อมกับสัตว์มีชีวิตเกิดขึ้นในโลก ทีนี้สวรรค์นรกนี่มีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดไม่อาพระพุทธเจ้าเพียงแต่รู้ว่านรกมีสวรรค์มีดังที่ว่าพระพุทธเจ้าตัดสโลสัจธรรมของจริงที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามาสร้างความเป็นจริงขึ้นมาแล้วมาสอนให้คนตัดสุลอันนี้นรกสวรรค์นี้มีก่อนพระพุทธเจ้าเกิด เราพระตเจ้าเป็นแต่เพียงผู้มารุ้า <c oughs> ตามคำอธิบายตามดูนามดูนามมรรมเกิดดับพอเข้าใจเห็นเกิดดับเป็นปัจจุบันรวมได้แต่ตามรูกายรูธรรมให้เห็นเกิดดับเป็นปัจจุบันนะธรรมนั้นไม่เข้าใจ ทีนี้การตามดูกายให้เห็นเกิดดับในปัจจุบันนัรรทเพื่อความจำง่ายๆลมหายใจออกหายใจเข้าอันนี้ลมหายใจออกหายใจเข้าเป็นส่วนของกายลมออกนี่เป็นการสูดเป็นการพองของปอดแล้วก็ลมวิ่งเข้าไป พอปอดยุบลมก็วิ่งออกมาการดูการเกิดดับของกายในปัจจุบันให้ดูลมหายใจเข้าออกเป็นที่เข้าใจง่ายที่สุดผู้ที่ไม่สามารถจะรักษาศีลแปดได้เนื่องจากร่างกายมีโรคประจำเนื่องจากต้องรับทานอาหารบ่อยๆเพราะตัดกระเพาะอาหารไปบางส่วนฉะนั้นได้แต่ปฏิบัติเพียงศีห้า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 การปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์สะอาดเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้สมาธิได้ปัญญาเหมือนกันบรรลุมรรคผลนิพพานตัวอย่างเช่นนางวิสาขาก็มีศีลห้านางวิสาขาสาเร็จปัตโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบยังไปแต่งงานอยู่ก็แสดงว่ามีเพียงแค่ศีลห้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นนางวิสาขานี่เป็นปรโสดาบันเป็นพระอริยบุคคล ข้มีแต่เพียงศีลห้าเท่านั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรกลการปฏิบัติแบบใดที่จะทำให้ให้มีความรู้จิตของตนเฉพาะภายในพร้อมทั้งพูดคุยกับคนอื่นๆอันนี้การปฏิบัติแบบใดอย่างไร คำถามนี้ตรงกับคำที่ว่าทำอย่างไรจิตจิงจะสงบเป็นสมาธิได้เร็วและจิงจะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงได้เร็วต้องการอยากจะให้เป็นได้เร็วต้องทำมากมากอย่างที่ว่าวันหนึ่งทำให้ได้สามครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงรับรองว่าเป็นได้เร็วคาตอบก็มีแค่นั้น จิตตกใจกลัวได้ตกใจง่ายเพิ่งจะเริ่มปฏิบัติมักคิดเป็นมักคิดว่าเป็นสิ่งไม่ใช่ธรรมดาเป็นสิ่งลึกลับอันนี้การปฏิบัติ บ, ตบางอย่างถ้าหากว่าเราไปศึกษาตามแบบชนิดที่เรียกว่าไปขอพลัง เดือยไปเชิญอะไรสักอย่างหนึ่งให้มาช่วยจิตให้มันเป็นไปได้เร็วได้ทาลองนั่นอันนี้ ม, นมันมักจะเกิดความวิตกกังวลว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาสิงมาสู่ภายในจิตในใจแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยเกิดมีความหวาดกลัวอันนี้เคยเจออยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจที่จะทำสมาธิให้เกิดประโยชน์กันจริงๆนี่ ถ้าจะพยายามเลือกเฟ้นหาครูบาอาจารย์ที่สอนในทางที่ถูกต้องบ้างก็จะดีเช่นอย่างบางครั้งก็ไปหลงเชื่อให้เขาไปลงกระหม่อมแล้วก็ไปยกครูยกอะไรขึ้นมาภาวนาแล้วก็เสียสติสตังมีการเข้าเจ้าทรงผีไปอะทํทำนองนั้นมันไม่ถูกทางอันตรายของนักปฏิบัตินี่มีมากเหลือเกินไอผู้ที่ทำไปนั้นไม่ทราบว่าท่านมุง่งผลประโยชน์อันใด น, นี่ก็ไม่ขอวิจารณ์แต่ว่า การที่ไปเรียนสมาธิแบบมันเหมือนกับเรียนไสยศาสตร์นั่นเป็นการไม่ถูกต้องอาจารย์ของหลวงพ่อเนี่ยเยสอนคนแต่ท่านสอนแต่ฆราวาสและฆราวาสนี่ก็สอนแต่โยมผู้ชายโยมผู้หญิงไม่สอนเรียกว่าสอนธรรมพระไตรใครภาวนาเป็นแล้วมีสมรถภาพในการขับไล่ผี คนที่ถือผีถือสางนี่เอาไปทาน้ำมนต์ขับไล่นีนเลิกถือผีถือสางมดแต่ว่าเมื่อพระแลปีติขึ้นแรงพอภาวนาตอนแรกๆเนีนึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธในใจพอเกิดปีติขึ้นมาแล้วจะมีเสียงพุโทโธพุธโทโธพุทโธดังก้องออกมาพอดังออกมาแล้วยังเหลือแต่โทโทโธโธขับเสี้ยวพอเงียบโทลงไปแล้วทีนี้ ไม่สวดปาฏิโมกก็ต้องสวดมนต์ไม่สวดมนต์ก็ต้องแสดงธรรมแต่อันนี้ไม่ปรากฏว่าผู้ภาวนาแล้วเกิดเสียสติสตังเอาไปใช้ประโยชน์ในทางทางช่วยคนที่เขาถูกผีรบกวนอะไรได้อาปัญหาข้อต่อไปยังเหลือฉบับเดียวถ้ารลกสวรรค์มีก่อนพระพุทธเจ้าแล้ว คนสมัยก่อนไม่ตกนรกหมดหรือเพราะยังไม่รู้ธรรมคำสอนรู้แต่การดำรงชีวิตยอยู่เท่านั้นการทำดีในระดับขั้นศีลธรรมศาสนาคือคำสอนนั้นแบ่งออกเป็นสองภาคภาคหนึ่งภาคศีลธรรมเอกภาคหนึ่งภาคที่ทำคนให้ไปสู่มรรคผลนิพพานภาคศีลธรรมนี่ การให้ทานก็เป็นทางให้ถึงสวรรค์การปฏิบัติดีเช่นบำรุงเลี้ยงบิดามารดาถ้าใครอยากเป็นพระอินทร์ก็ให้เลี้ยงดูบิดามารดาเข้ารบต่อผู้ใหญ่ในตระกูลทำดีกับคุณพ่อคุณแม่ตายไปแล้วจะได้เกิดเป็นพระอินทร์ผู้ใดอยากเป็นเทวดาก็ให้มีฮิริโอตปะ ละอายต่อบาปจะดุ่งกลัวต่อบาปทีน่นี้ผู้ที่ทำดีที่ไปเกิดสวรรค์เนี่ยเช่นอย่างฝรั่งเขามาตั้งโรงพยาบาลให้เมืองไทยเราเขาก็ทำบุญสาธารณประโยชน์อันนี้เขาก็ทำบุญได้คนในลทัทธิศาสนาอื่นก็ทำดีที่จะให้ไปเกิดสวรรค์ได้แต่เขาทำชั่วขั้นที่จะไปตกนรกได้ ธรรมะที่ว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ถ้าเป็นการภาวนาก็อยู่ในขั้นที่จิตเดินภูมิวิปัตสนาสามารถที่จะพิจารณาสภาวธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะของพระไตรลักษณ์คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์อันนี้คือภูมิชั้นของศาสศาสนาของพระพุทธเจ้า แต่ระดับของสมาธิตั้งแต่ฌานขั้นที่สี่ถอยลงมาถึงขั้นที่หนึ่งเนี่ยเป็นระดับสมาธิสาธารณะทั่วไปทุกทิศาสนาถ้าหากว่าเจดของผู้ภาวนานี้ติดอยู่เพียงแค่ฌานสี่ขั้นนี่ไม่ไปไหนติดยึดอยู่ที่ตรงนี้ก็กลายเป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์ไป แต่ถ้าบำเพ็ญฌานให้สะดวกสบายคล่องแคล่วดีแล้วเอาจิตที่ได้ฌานนั้นนะ่ะช่วยโอกาสเวลาพอที่จะพิจารณาอะไรได้น้อมไปสู่การพิจารณาสภาวะธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงจนสามารถเห็นทุกสมุทัยนิโรธมักเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาจิตปล่อยวางแล้วก็พ้นจากกิเลสได้ อันนั้นอยู่ในขั้นศาสนาพุทธโดยเฉพาะการแผ่เมตตาให้กับผู้คิดร้ายต่อเราหากจะให้ได้ผลเร็วควรทำอย่างเกินเวลานานเท่าไหร่จึงจะได้ผลถ้าไม่ได้ผลแสดงว่ากิเลสของผู้รับหนารับไม่ได้ ในการแผ่เมตตานี่จะให้ได้ผลเร็วหรือไม่ได้ผลเร็วนั้นมันต้องอาศัยทั้งสองฝ่ายถ้าหากสมมติว่าผู้แผ่เมตตาก็มีพลังจิตพอที่จะส่งกระแสให้เขาได้รับผลผู้รับก็มีพลังทางจิตพอที่จะติดต่อสื่อสารรับรู้กันได้อันนี้สำเร็จเร็ว ทีนี่การแผ่เมตตาไปโดยที่ฝ่ายตรงกันข้ามไม่รู้ไม่รู้ว่ามีใครแผ่เมตตาให้แต่อิทธิพลของความปรารถนาดีต่อกันซึ่งเราตั้งไว้ในจิตในใจของเรานี่ก็สามารถบันดาลให้เกิดผลแก่ผู้รับได้เหมือนกันทั้งๆ ท, ที่ผู้รับไม่รู้เพราะมันเป็นพลังจิตอันหนึง่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแผ่เมตตานี่ที่ได้ผลอย่างแน่นอนที่สุดก็คือว่าตัวของผู้แผ่นั่นแหละทำให้จิตมีเมตตามีกรุดามีมุทิตามีอุเบกขาเป็นอุบายกำจัดความอิจฉาริชยิเสียหรือกำจัดความอิอกิเลสที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่โหดเที้ยมในจิตในใจให้หมดไปการหลับตาเพ่งระยะหนึ่ง จิตเห็นดวงไฟสีแดงปรากฏชัดจึงเพ่งดูต่อไปแต่แล้วนานๆเข้าดวงไฟสีแดงนี้ก็ค่อยหายไปเมื่อหายไปแล้วเพ่งอีกก็ไม่เห็นดวงไฟที่กล่านี้อีกเลยอยากว่าที่เห็นดวงไฟสีแดงนี้คืออะไรการหลับตาเพ่ง <c oughs> ในเมื่อหลับตาเพ่งลงไปแล้วมองเห็นดวงไฟดวงไฟนี่มันเกิดเป็นความรู้สึกเห็นในชั่วขณะหนึ่งเช่นเราอาจจะมองดูแสงสว่างหรือดวงสว่างอันใดอันหนึ่งในเมื่อเรามองเรามองดูแล้วเราหลับตาลงไปในชั่วขณะนั้นเราอาจจะยังมองเห็นดวงอันนั้นอยู่เช่นอย่างดวงไฟเป็นต้นทีนี้ภายหลัง ในเมื่อเราเพ่งดูอีกมันก็หายไปอันนี้การเพ่งเขียนดวงไฟดังที่ว่านี้ถ้าจะว่าเป็นดวงนิมิตมันก็ยังไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรามองดูอะไรนานๆสักหน่อยหนึ่ง <c oughs> เช่นดูดวงไฟนี่ที่สว่างอยู่นี่ พอดูสักนาทีหรือครึ่งนาทีเขหลับพับลงไปเดี๋ยวนี้มันจะมองเห็นเป็นดวงสว่างเป็นจุดอยู่อันนี้เป็นเรื่องของธรรมดายแต่จะว่าเป็นสมาธิก็เป็นเรื่องสมาธิขันิกะสมาธิทีนี้ความสว่างตามความหมายแห่งองค์ประกอบของสมาธินั้นในตอนแรกๆมันก็อาจจะสว่างขึ้นมาเป็นดวงเหมือนดวงไฟเหมือนกันสําหรับ ดวงสว่างซึ่งมันผ่านเข้ามาวับวาบแฝดแชั่วขณะหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของธรรมดาของการภาวนาจะต้องเป็นเช่นนั้นทีนี้ในเมื่อจิตมันสงบนิ่งลงไปเป็นสมาธิเริ่มตั้งแต่อุปจารสมาธิหรือเรียกว่าสมาธิมันเดินตามองค์ของฌานวิตกวิจารปีติสุกเอกขตาานั้น เมื่อจิตสงบลงไปแล้วที่สําคัญที่สุดซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าจิตสงบคือแสงสว่างความสว่างภายในจิตอันนี้เป็นส่วนประกอบความสว่างอันนี้ผิดแผกจากดวงที่เรามองเห็นทีนี้ถ้าหากว่าจิตเริ่มสงบในตอนแรกๆนี่พอสงบลงไปพอรู้รู้สึกสงบตอนนั้นแหละแล้วกระแสจิตของเราส่งกระแสออกไปไกลๆโน่นเราอาจจะมองเห็นแสงเป็นจุด ในตอนนั้นจิตของเราสงบแล้วมันพุ่งไปข้างหน้าแล้วไปเกิดสว่างอยู่ข้างหน้านี่เป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งบอกให้รู้ว่าจิตของเราเริ่มสงบเหมือนกันทีนี้ถ้าว่าจิตค่อยสงบสงบสงบละเอียดยิ่งเข้าไปเข้าไปแล้วแสงสว่างที่เรามองเห็นอยู่ไกลๆนั่นมันจะค่อยหดเข้ามาหดเข้ามาจนกระทั่งมาถึงตัวเราในเมื่อมาถึงตัวเราแล้วจิตสงบละเอียดวุ่ลงไปเกิดสว่างคล่งขึ้นมา จิเริ่มมีสมาธิถ้าหากสมาธิอันนี้เรายังรู้สึกว่ามีตัวปรากฏอยู่เป็นปสมาธิขั้นอุปจาระถ้าหากว่าเปร่ากฏว่าตัวหายไปแล้วยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างอยู่อันนั้นเป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิขั้นอัปปนานี่อัปปนาขั้นต้นนี้มันเป็นใจเปียงปฐ ม, มจิตปฐมวิญญาณปฐมสมาธิเป็นปุพพานิมิต ทีนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องฝึกขัดเข้าออกสมาธิให้ชำนิชำนาญตามองค์ฌานนั้นๆจึงจะนําสมาธินั้นไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวิปัสนาในขั้นต่อไปได้อย่างชำนิชำนาญอันนี้ขอให้ท่านพึงสังเกตเรื่อยๆไปทีนี้ปัญหาข้อนี้ปัญหาข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนอภิธรรม การเรียนหรือการสอนอริธรรมนักปฏิบัติหรือนักภาวนานี่จาเป็นต้องเรียนอริธรรมหรือไม่อันนี้ในฐานะที่เรายึดหลักว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้ า, ำำจามีปริยัติปฏิบัติปฏิเวททั้งสาม ปริยัติคือการเรียนรู้ปฏิบัติคือเอาความรู้ที่เรียนแล้วมาปฏิบัติปฏิเวศคือผลซึ่งเกิดจากความรู้นั้ น, น อ, อกจากการปฏิบัตินั้นเพราะฉะนั้นปริยัตินี่ก็เป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องเรียนไม่เรียนมากก็ต้องเรียนน้อยไม่เรียนน้อยก็ต้องเรียนมากเพราะเป็นแนวทางจะไม่เรียนเลยนั้นไม่สมควรถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ดท่องบนแบบเรียนตามตำรับตำลาก็าตาม เราก็ต้องเรียนจากท่านผู้รู้อาศัยคำแนะนำจากครูบาอาจารย์ก็เป็นการเรียนเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอภิธรรมนี่ถ้าใครสามารถเรียนท่องจำได้แล้วมาปฏิบัติเมื่อจิตมีสมาธิมีสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันจะได้ส น, สนับสนุนภูมิธรรมเลยเป็นเครื่องพิจารณาตัดสินความรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิตของเราได้เป็นอย่างดีขอเฉลยว่าจาเป็นต้องเรียน ถ้าเรียนไม่มากเรียนไม่ได้มากก็เรียนแต่น้อยแต่พอเข้าใจปฏิบัติการที่จะไม่เรียนเลยนั่นไม่ถูกต้องี่มปีปัญหาก็นี่ปัญหาข้อนี้สําคัญมากผู้ที่จะปฏิบัตินี่จําเป็นจะต้องเดินทางไปศึกษาปฏิบัติในสํานักครูบาอาจารย์ในต่างจังหวัดหรือไม่อันนี้ปัญหาข้อนี้อาตมา ก, ก็อยากจะ ทำความเข้าใจของบัรลากับบรณาท่านผู้ฟังทั้งหลายการปฏิบัติธรรมนี่เราจะไปปฏิบัติตู่ที่ไหนอย่างไรเอาเราเอากายกับใจนั่นะไปปฏิบัติทีนี้ถ้าหากต่างว่าทุกๆ ท, ท่านอาจจะตั้งปณิธานว่าฉันจะพยายามสร้างห้องพระในบ้านของฉันนี่ให้เป็นวัดน้อยๆขึ้นมา แล้เราจะทำสมาธิภาวนาอยู่ในห้องพระของฉันนี้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปในสำนักครูบาอาจารย์ที่ห่างไกลลำบากเช่นต่างจังหวัดเป็นต้นเว้นไวเสียแต่บางครั้งบางโอกาสที่เราอยากจะไปเพื่อเพื่อดูและเพื่อศึกษา ขนบธรรมเนียมและประเพณีในสำนักนั้นๆหรือเพืฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์นั้นๆเป็นครั้งคราวปัญหาข้อนี้ขอตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าท่านเข้าใจในหลักการปฏิบัติพอสมควรแล้วไม่จำเป็นต้องไปและไม่จำเป็นจะต้องถือว่า เราต้องไปนั่งภาวนาอยู่ในวัดอย่างเดียวเท่านั้นที่โคาลาดอาจารย์มาเคยบอกเอยเทศให้พวกญาติโยมฟังว่าการทําสมาธิเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมาทํากันที่วัดบางท่านมาก็มาบอกว่า <c oughs> ขอให้หลวงพ่อพาทำสมาธิพานั่งสมาธิอาตมาก็บอกว่าไม่จําเป็น ในเมื่อฉันให้คําแนะนําคุณไปแล้วคุณไปทําที่บ้านในเมื่อคนทำเมื่อคุณอยู่ที่บ้านคุณไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตานั่งสมาธิภาวนาคุณก็มีพระปฏิบัติจิตวัตอยู่ในบ้านคุณทุกวันถ้าคุณภาวนาทําจิตเท่สงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้เพียงครั้งเดียวจะมีคุณค่ายิ่งกว่าที่นิมนต์พระตั้งแปดหมื่นองไปสวดหมด ในเคยให้ให้กำลังใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีโอกาสพอที่จะไปได้หมายถึงว่าไม่ว่างพอที่จะไปได้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นจะต้องไปภาวนาอยู่กับสำนักครูบาอาจารย์ในต่างจังหวัดเช่นอย่างโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่อาจจะมีมุมใดมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมสงบหรือภายในรั้วบ้านของเราเนี่ย อาจจะมีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมสงบถ้ามันหาความสงบไม่ได้ถ้าเราลำคาญต่อความสงบเราอาจจะตั้งปณิธานว่าฉันจะนั่งสมาธิแข่งกับเสียงถ้าเสียงมันไม่เยียดไปฉันจะไม่หลุกถ้าหากนั่งสมาธิเจมันสงบไปแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยมันยังได้ยินเสียงรถมันวิ่งอยู่นั่งต่อไปอีก จนกว่าเสียงรถปัญจะสงบเงียบไปแล้วจะเป็นอุบายที่ฝึกสอนจิตของเราให้รู้จักกับการต่อสู้นั้นเรื่องนี้ขอทำความเข้าใจว่าไม่จำเป็นให้พยายามหาโอกาสทำที่บ้านให้มากที่สุดโดยสร้างวัดสร้างบ้านของเรา น, นั้นนะให้มันเกิดเป็นวัดอันนี้เห็นจะเป็นปัญหาข้อสุดท้ายปัญหาฉบับนี้ถามมาก่อน แตเอาไว้ตอบเป็นข้อสุดท้ายข้อหนึ่งการปฏิบัติทุกอิริยาบถคือเดินเดินนั่งนอนผลปรากฏว่าลมหายใจไม่ปรากฏเลยผลปรากฏภายในทั้งรู้ทั้งเห็นสว่างแจ่มใสเบิกบานมากเห็นภายในเป็นสายขาวบริสุทธิ์เท่าเส้นด้ายหลอดปรากฏชัดแจ้ง เจตสิกไม่ปรุงจิตได้เลยแม้แต่ขณะหนึ่งปรากฏการเช่นนี้เป็นอยู่ได้นานถึงเจ็ดวันโดยธรรมชาติของการปฏิบัตินี้เราจะกำหนดรูลงไปได้ว่าหนึ่งจิตคือตัวรูสองเครื่องรูของจิตหมายถึงอารมณ์ของจิตมีลมหายใจเป็นต้น เมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกเช่นอย่างในปัญหานี้จิตกําหนดเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้แล้วสติเอารมหายใจเป็นเครื่องระลึกปรากฏการที่เกิดขึ้นติดตามลมหายใจเข้าออกเข้าออกจนกระทั่งลมหายใจรู้สึกละเอียดลงไปเมื่อลมหายใจละเอียดลงไปแล้ว ปรากฏว่าลมหายใจก็หายไปต่างกายที่มีอยู่ก็หายไปแล้วปรากฏว่ามีจิตสงบนิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์ในในในที่นี้ใช้คำว่าขาวใสาขาวบริสุทธิ์แล้วยังแถมว่ามีเป็นเส้นเหมือนเส้นได้หลอดที่นี่เส้นได้หลอดนี่ มันก็เป็นตรงกับคําว่ากระแสจิตส่งกระแสออกไปไกลก็มองเห็นเป็นแสงพุ่งไปไกลตอนนี้จิตยังอยู่ส่งกระแสอยู่ในภายนอกทีนี้เมื่อความรู้สึกมันหดเข้ามารวมอยู่ภายในเคื่อจิตอยู่ได้จิตสายที่เหมือนเส้นได้ที่มันพุ่งไปไกลๆนั่นมันก็หายไปก็ยังเหลือแต่จิตนิ่งสว่างใสาขาวบริสุทธิ์เป็นหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้นเรียกว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิถ้าหากเป็นอัปปนาสมาธิในขั้นตน้นจิตจะเป็นนิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เฉยๆความรู้มีแต่เพียงรู้ว่าจิตสงบนิ่งมีแสงมีความสว่างเท่านั้นอันนี้เป็นสมถะหรืออัปปนาสมาธิเกิดขึ้นในขั้นสมถาะาภาวนา แต่ถ้าหาว่าจิตได้ผ่านการพิจารณาหรือมีความสำคัญมั่นหมายได้พิจารณาอารมณ์ในแง่ต่างๆมาแล้วเมื่อจิตสงบลงไปในลักษณะแห่งอัปปนาสมาธิแม้ว่าตัวคือร่างกายจะหายขาดไปก็ตามแต่จิตก็มีสิ่งที่รู้อยู่บางครั้งปรากฏการอาจจะเป็นในทํานองนี้เพอจิตสงบแน่นิ่งลงไปแล้ว เยตจะแสดงอาการลอยออกจากล่างแล้วมาลอยอยู่เหนือล่างส่งกระแสส่องลงไปดูล่างที่ตนอาศัยอยู่ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มองเห็นอาตือนเน่าเปือ่อยผุพังยังเหลือแต่โครงกระดูกในที่สุดแล้วสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือแม่จะเพื่อนแผ่นดินที่อาศัยอยู่ก็มไม่ปรากฏในความรู้สึกมีติจิตดวงเดียวรวน และในบางครั้งในเมื่อสิ่งที่มองเห็นด้วยสิ่งที่มองเห็นคือวัตถุคือร่างกายที่ปรากฏนั้นหายไปแม้แต่จิตอยู่ในลักษณะที่นิ่งสงบเป็นปกติอยู่ก็ยังจะมีปรากฏการเกิดขึ้นให้รู้ลคล้ายๆกับว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันผ่านเข้ามาวนรอบภายในจิต แต่จิตต็นิ่งเด่นเฉยอยู่อันนี้ไปตรงกับที่คำถามนี่ว่าจิตขาวใสบริสุทธิ์ปรากฏแจ้งชัดเจตสิกไม่ปรุงจิตในขณะที่จิตนิ่งเจตสิกไม่ปรุงจิตตามคำถามของท่านผู้นี้หมายถึงว่าจุดนั้นมันเกิดมีศีลสมาธิปัญญารวมกันลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอริยมรรค มากกัสมังคีประชุมรวมลงอาประชุมลงเป็นหนึ่งอย่างปรากฏการก็คือจิตดวงสงบนิ่งสว่างบริสุทธิ์สะอาดไม่หวั่นไหวในสิ่งที่ผ่านเข้ามาอาจจะมีอะไรผ่านเข้ามาอย่างละเอียดละเอียดละเอียดจิตก็มองเห็นสิ่งนั้นอยู่แต่ไม่มีอาการหวั่นไหวไปตาม ท่านผู้นี้จึงเรียกว่าเจตสิกไม่ปรุงหมายถึงจิตสงบนิ่งลงอริยมรรคประชุมพร้อมที่จิตแล้วจิตสามารถประคองตัวอยู่ได้โดยอัตโนมัติเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าความประชุมพร้อมแห่งอึกถึงแม้ว่าจะเป็นขั้นต้นๆก็เป็นแนวทางปัญหาข้อที่สองปรากฏชัดทั้งรู้ทั้งเห็นเท่ากับมองเห็นด้วยสายตาภายนอก อันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาในเมื่อสิ่งใดปรากฏขึ้นมาแล้วก็ทั้งรู้ทั้งเห็นถ้าหากความรู้ความเห็นที่มันเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ภาวนายังมีตัวปรากฏอยู่ถ้าเกิดนิมิตขึ้นมาจะดูคล้ายๆมองเห็นด้วยสายตาแล้วก็รู้ด้วยใจเพราะฉะนั้นท่านผู้นี้จึงว่าทั้งรู้ทั้งเห็นคือรู้ด้วยใจแลวมองเห็นด้วยสายตา อันนี้เป็นนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นในขั้นต้นในขณะที่จิตกำลังเป็นอุปจาระสมาธิทีนี้ถ้าหากว่าจิตนิมิตเกิดขึ้นในขณะที่จิตสงบละเอียดจนกระทั่งจิตไปนิ่งเด่นเป็นหนึ่งแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเข้ามาจิตรู้เห็นอยู่อันนี้เป็นนิมิต ท, ที่จิตรู้ด้วยใจโดยด้วยจิตโดยตรงเพราะฉะนั้นนิมิตในขั้นตน้นขั้นอุคหานิมิต จิตโลแล้วก็คล้ายมองเห็นนิมิตนั้นด้วยตาขั้นปฏิภาคในมิตจิตู้แล้วก็มองเห็นด้วยใจเรียกว่าตาใจระดับโอคาโอคาหานิมิตนี่จิตทั้งู้เห็นด้วยใจทั้งมองเห็นด้วยตาเนื้อแต่ไม่ได้หลับตาแต่ประสาทการู้เห็นทางตายังไม่หายขาดไปแต่ถ้าอยู่ในขั้นปฏิภาคในมิตแล้ว มีเตจิตู้เห็นคนเดียวจะผู่ประสาทไม่ไม่เกี่ยวข้องถพ่งทำความเข้าใจอย่างนี้ทีน่นค้อครีสามขั้นต่อมากําโลดจิตมีสติปกครองรักษาจิตอารมณ์เะนั้นก็ยังมีผลแบ่งอารมณ์ออกภายนอกอันนี้มันเป็นผลที่ผู้ปฏิบัติได้ฝึกฝนอบรมจิต ทั้งขั้นบริกรรมภาวนาขั้นการพิจารณาธรรมจนสามารถจิตกลายเป็นกลายเป็นจิตที่ที่มีสติเรียวกว่ามีสติสัมปชัญญะอาการอย่างนี้มักจะเกิดขึ้นกับจิตของท่านผู้ดำเนินการปฏิบตัติตามหลักของมหาสติปัฏฐานโดยอาศัยหลักกายเวทนาจิตธรรม การพิจารณากายก็คือพิจารณาอาการ32ในแง่อสุภะกรรมาฐานบ้างในแง่ธาตุสีที่น้ำลมไฟบ้างโดยเ อ, เอาอาการ32นี่เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในขณะที่เรากำหนดพิจารณาดูกายคืออาการ32นั้นความจริงเราตั้งใจดูแต่เรื่องของกาย แต่พร้อมๆกันนั้นเราก็จะรู้เรื่องของเวทนาของจิตของธรรมไปด้วยเวทนาเราดูกายเราก็รู้ว่าเวทนามันเกิดที่กายความสุขก็เกิดที่กายความทุกข์ก็เกิดที่กายและพร้อมๆกันนั้นจิตธรรมมันก็ปรากฏขึ้นเพราะจิตเป็นผู้รู้แล้วก็ธรรมที่จะปรากฏมาเป็นสิ่งรบกวนก็คือนิวรหเวทนาก็คือสุขทุกข์ที่เกิดขึ้น เพระฉะนั้นภูมิจิตของท่านผู้ที่ดำเนินตามแนวแห่งมหาสติปฐานสี่เนี่ยเคยยึดเอากายเวทนาจิตทำเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นเครื่องเลลึกของสติเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะดีแล้วแม้อยู่ในที่ก็จะรู้สึกว่าจิตกับอารมณ์แยกกันออกเป็นคนละส่วนในเมื่อออกจากสมาธิแล้วมาอยู่ในปกติธรรมดาเช่อนอย่างเราคุยกันอยู่เดี๋ยวนี้ ท่านผู้นั้นก็จะรู้สึกว่าจิตภายในมีความสงบอยู่แต่ส่งกระแสแห่งความรู้สึกออกมาทํางานทําการในภายนอกรับรู้อารมณ์ได้คล้ายๆกับว่าในบางครั้งเราจะรู้สึกคล้ายๆกับว่าเรามีใจสองดวงดวงหนึ่งมันนิ่งอยู่ข้างในอีกดวงหนึ่งมันไปทํางานอยู่ข้างนอกอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตผู้ที่ฝึกฝนอบรม มาทำนิทำลานมีสติสัมปชัญญะพอสมควรแล้วจะได้รับผลอย่างนั้นการตอบปัญหาที่ท่านทั้งหลายส่งคําถามมาก็เป็นอันว่าตอบครบถ้วนทุกปัญหาแล้วอาจจะถูกต้องตามความประสงค์ของท่านบ้างหรือไม่ถูกต้องบ้างก็คือโอกาสอขออาภัยท่านทั้งหลายด้วย อะไรที่มันยังไม่ตรงกับความต้องการก็ขอให้ท่านตั้งใจพิจรารณาต่อไปอีกในปัญหามีอยู่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธินี่ถ้าปัญหาเกิดขึ้นจากสมาธิคือหมายความว่ามันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องภายในจิ